Thank you. ที่พูธานมีโยคีท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่นับถือนะแล้วก็เคารพรักนะของคนที่เบตอย่างกว้างาคนพูธานอย่างกว้างขวางาโยคีท่านนี้ที่จริงท่านเป็นชาวที่เบตนะเกิดเมื่อประมาณสักห้ารอยปีที่แล้ว เ, เกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยนะมีอํานาจมีบารมี ในภายหลังก็ท่านก็ในบวชพระบวชพระแล้วก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่วัดมีชื่อร่ำรวยด้วยแต่ว่าสุดท้ายท่านก็ะละทิ้งวันนั้นแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบพิขาจารย์แบบโยคยีนะเพราะว่าท่านไม่ชอบราบสักการละแล้วก็ไม่ชอบ กฎระเบียบที่มันรุงลังนะมันกลายเป็นกระพี้นะก็หันมาบำเพ็ญตนเป็นโยคีแต่ท่านมีนิสัยแผลงๆทำอะไรแปลกๆอารมณ์ขันก็เยอะแล้วก็หลายครั้งก็มักจะทำในสิ่งที่มันขัดกับขนบรมเนียมประเพณีอ่าเรียกว่ายิ่งกว่าเซนอีกนะ แต่ว่าท่านก็ทำได้เพราะว่าเป็นโยคีเนะี่ยจาริกไปเรื่อยวันหนึ่งก็ไปจาริกในในผ่านใกล้ๆกับชานเมืองเมืองหนึ่งนะท่านเห็นมีมีถ้ำนะก็จะไปพักในถ้ำชาวบ้านละบ้านนั้นก็บอกว่าเตือนว่าต้องระวังนะเพราะมันมีโจรโจรที่ดุร้ายแล้วก็ชอบปล้น ปลนซั์ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาท่านดูคิดท่านนี้เนี่ยชื่อลุกปะคุณเลก็อบอกว่าไม่เป็นไรนะขอให้มีที่นอนก็แล้วกันแต่ในใจเนี่ยท่านคิดจะจะสั่งสอนให้บทเรียนนะแก่โจรแล้วท่านก็ออกอุบายนะท่านตั้งใจว่าเนี่ยจะให้โจรคนเนี้ยกินขี้ให้ได้ าคนธรรมดาเขาก็ไม่กินขี้กันนะแต่ทํายังไงถึงจะให้โจรกินขี้เนะนี่าตกค่ำในีท่านก็นะเข้านอนแต่ก่อนจะนอนนี่ก็เอาถุงใส่เงินนะ่ะที่จริงเงินก็ท่านก็มีไม่มา ก, ก น, นะเอาเหรียญออกแล้วก็ถ่ายอุจจาระลงไปแล้วก็ปิดถุงอย่างดีนะแล้วก็วางไว้ข้างตัว พอตกดึกเนี่ยโจยมันก็เข้ามามันรู้อนะเพราะว่าถ้ำนี้ก็มีคนผ่านมาสัญจร อ, อยู่บ่อยๆแสงสว่างก็ลอดเข้ามาในถ้ำพอที่จะเห็นอะไรอยู่บ้างโจมันก็เห็นถุงเงินนะก็คว้าคว้าเสร็จก็เปิดถุงเลยนะแล้วก็เอามือล้วงพอเอามือล้วงก็ล้วงข้างในเป็นอะไรเนี่ยก็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 น่จิ้มเข้าไปในป่าแล้วก็ดูดเข้าไปเนี่ยก็หายเจ็บเลยนะพอรู้ว่ากินอะไรเข้าไปอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เผ็ดของท่านลุกป่านะคุณเลยนีทารึกนี้ก็สอนเห็นว่าคนเรานี่ถ้กว่าตกใจลืมตัวนะมันก็สามารถจะทำอะไรได้ทั้งนั้นอนะ่ะแม้กระทั่งกินขี้ของคนอื่นนะโจนมาลืมตัวนะพอรู้ว่า มือเนี่ยนะมีขี้ติดเนี่ยตกใจแล้วก็รังเกียจขยะกขยั้ออยยงปฏิกิริยาที่ทําก็คือนะสะบัดนะพอโดนหินมันเจ็บไงพอเจ็บก็ไม่รู้ล่ะนะอ่าดูดนิ้วไว้ก่อนนะเพื่อจะได้หายเจ็บตั้งมันนี้เกิดขึ้นเพราะความลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วเนี่ยก็รู้อยู่นะว่ามือเนี่ยมันเปื้อนขี้นะแต่พอลืมตัวเพราะความเจ็บก็ดี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 ต่อรองกันนะเพื่อเขาซื้อสินค้าของเราให้ได้อันนี้ก็เป็นวิสัยของแม่ค้านะหรือพ่อค้าก็ตามแต่พอโกรธแล้วเนี่ยนะเพราะว่าลูกค้ า, าต่อสินค้าแบบสะบั้นหันแลบมันเนี่ยถ้าไม่มีสตินะลืมตัวเพราะความโกรธนะก็ทำให้เสียลูกค้าไปล้วก็จะไม่ใช่แค่เสียคนเดียวก็จะเสียอีกหลายคน สิ่งที่ทำเนี่ยถ้าแม่ค้ามีสติดีก็รู้ว่าไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยไม่น่าไล่เข้าไปเลยเนะแต่ทํำไมถึงทำเพราะลืมตัวไงบางคนเราเมื่อลืมตัวแล้วเนี่ยไอสิ่งที่ตั้งใจจะทําทเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้ทําแล้วกลับทําสิ่งที่ตรงกันข้ามก็นได้แต่ว่าความเสียหายอย่างนี้ก็ยังถือว่าน้อยนะบางคนก็เสียหายหนักนะรักใครนะ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 บางทีก็อาจจะทาร้ายเขาตบเขาตีเขาให้นะด่าเขายังยังไม่เท่าไหร่นะที่ทำร้ายเขาเนี่ยด้วยกำลังบางทีถึงกับใช้ใช้ปืนยิงก็มีนะเคยมีนักจัดรายการวิทยุคนหนึ่งนะเป็นคนที่มีชื่อมากเมื่อสักสาสิบสี่สิปีที่แล้วเนี่ยแกก็ชอบอ่านหนังสือทางวิทยุนะพระสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนจานวนหนึ่งที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยจะได้ อ, อกจะไม่ค่อยจะมีโอกาสอ่านหนังสือเท่าไหร่หนังสือพวกวรรณคดีเช่นสาม ก, ก๊กเนี่ยหรือบางทีหนังสือธรรมะตอนหลังแกก็มาอ่านหนังสือธรรมะอ่านทางวิทยุกระจายเสียงเสียงตามสายเนี่ยท้กคนก็ติดกันทั้งประเทศนะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยตอนหลังพอแก่ตัวก็ก็กเกษียณนะแล้วก็มาอยู่กับลูกนะ ที่จริงพวกก็ไม่ถูกนะลูกมาอยู่กับตัวเองมากกว่าเพราะว่าตัวเองนีพอมีฐานนะก็มีบ้านลวกมาอยู่ในบ้านที่มีอนาบริเวณต่อมาตัวเองก็ก็คิดว่าอายุมากแลก้วก็ก็เลยแบ่งมรดกนะให้ลูกลูกสาวลูกชายแบ่งมรดกแม้กระทั่งที่นะจนกระทั่งเหลือเงินของตัวเองนี่ไม่มากเท่าไหร่ แล้ววันหนึ่งตัวเองก็ป่วยป่วยเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งเนี่ยมันก็ต้องใช้ใช้เงินในการรักษาพยาบาลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ารักษามาหลายปีตอนหลังเงินที่ตัวเองมีก็หมดก็ไม่เชิงหมดนะ้ะแต่ว่าต้องเก็บไปบ้างก็เลยขอขอเงินลูกไอ้เงินลูกก็คือเงินที่ตัวเองนะโอนให้นะเป็นมรดกนั่นเอง ทีแรกลูกก็ให้ดีนะตอนหลังลูกก็เริ่มจะอิดออดไม่ค่อยให้แกโกรธมากเลยนะทั้งน้อยเนื้อต่ําใจทั้งโกรธแล้วก็คงมีการทะเลาะบอกแวงกันแล้วทําีท่าไหนไม่รู้นะแกก็โกรธแกเป็นคนปกติกเป็นคนที่มีมีโทสัอยู่แล้วอาตมาเคยเจอสมัยเป็นคารวาะแกเป็นคนที่มีอ่าเป็นโทสัตย์จริตนะแล้วพอเกิดเกิดเห็นแบบนี้ลูกสาวเนี่ยลูกสาวแท้ เอาเงินของตัวเองไปเป็นมรดกแล้วไม่ยอมจ่ายไม่ยอมอแบ่งปันให้พ่อเนี่ยเอาไปรักษาโรคผิดหวังมากแค้นมากทำยงไนสุดท้ายก็ยิงลูกตายพอรู้ตัวว่าทาอะไรนะคนเราเนี่ยพอโกรธแล้วมันทําอย่างที่โกรธนะความโกรธมันก็จะจางคายตอนนั้นแหละที่ความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นหลายคนรู้สึกตัวเมื่อทาตามความโกรธไปแล้ว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 ก็เป็นข่าวอยู่พักใหญ่นะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วคนก็สงสัยว่าคนที่ธรรมะธรรมภาครายการสารคดีธรรมะน ะ, รร ะ, รระเป็นพิ ธ, ธรรีกรก็หลายงานก็ล้วนแต่เป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นทําไมถึงมาลงเอ่ยแบบนี้มันผิดวิสัยนะแต่มันก็อธิบายได้นะเพราะคนเราเนี่ยเมือ่อเมื่อลอมตัวแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้น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 พอมีเสียงโทรศัพท์ดังในศาลาในหอตายเนี่ยกลับมาเลยมันได้สติหรือว่าบางทีอาจมาพูดเสียงดังๆเข้าไปอ้าวมันผิดไปจากโทนที่เมื่อเมสักครีพพูดเนี่ยนะก็ได้สติขึ้นมาไอความคิดอะไรที่ปรุงแต่งไปสารพัดยืดยามก็หายไปทันทีไม่ต้องไปกดข่มมันไม่ต้องไปห้ามมันนะแต่ว่ามันหลุดของมันเองเมื่อเรามีสตินะเมื่อเรากลับมารู้สึกตัว สติความสึกตัวนี่มันเป็นมันเป็นเกลือกันนะความสึกตัวเนี่มันภาษาบาลีเขาใช้สัมปัชัญญาอย่างที่เราสอนเมื่สักครู่เนี่ยสัมปัชาโนเนี่ยสัมปัชาโนสติมาเนี่ยสติมาคือสติเนี่ยสัมปัชานนคือสัมปัชัญญาความรู้ตัวเราจะรู้ตัวได้ก็เพราะจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวได้เพราะว่าจิตมันไม่หลงลอยไปที่ไหนหรือว่าหลงลอยไปแล้วเนี่ยมีสติรู้ทันนะ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 นะอยู่ตรงไหนเราจำได้ว่าเราวางเท้าเราวางรองเท้าไว้ตรงไหนนะบนชั้นหรือว่าตรงหน้าหอไตรนะเราจำได้ว่าเราเอาเงินกุญนะแจรถไว้ตรงไหนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอันนี้พอจะใช้เนี่ยพอจะใช้กระเป๋าพอจะใช้กุญแจเนี่ยนึกขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าสตินะสติมันทำให้เราเราลึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อ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 จำวันเกิดเพื่อนได้นะเป็นเป็นสิบเป็นร้อยคนแต่พอเป็นสติที่ระลึกได้เกี่ยวกับตัวเองนะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะใจลอยนะลอยไปอ่ายืดยาวกว่าจะรู้ตัวนะสติที่มันเป็นความระลึกได้นะเรื่องนอกตัวเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองนะ คนแก่เนี่ย่าคนแก่อายุมากๆเนี่ยจำอะไรจะไม่ค่อยได้แนละ้วเราเรียกว่าหลงลงลืมลืมนะไม่ใช่แค่จำ เ, เรื่องราวที่ยากๆนะบางทีไอ้เรื่องราวที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยจำไม่ได้แนละ้วมีคุณยายคนนึ่งนะเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมหลานนะหลานก็โตแล้วเป็นวัยรุ่น นานๆมาเยี่ยมทีก็ชวนหลานเนี่ยไปไปกินอาหารนะร้านหรูร้านดังหลานก็สองคนก็ไปพอกินอาหารสักพักเนี่ยก็คุยกันตามภาษาญาหลานสักพักก็ถามญาก็ถามหลานว่าตอนนี้มีเงินใช้เงินพอใช้ไหมหลานบอกมีพอครับ แต่ว่าย่าเนี่ก็ยังห่วงหลานนะก็ถึงแม้ลูหลานบอมีเงินพอใช้ก็ยังอยากจะช่วยหลานควักเงินมาสองหมืนบาทนะให้หลานนะคนละหมื่นสองคนหลานก็ดีใจนะเสร็จแล้วคุยกันต่อไม่ถึงห้าทีหลานก็ย่าก็ถามอีกมีเงินพอใช้ไหมพอครับนะเสร็จแล้วก็ ยา่าก็จะควักเงินมาให้แม่ทันจะควักนะหลานก็บอกว่าย่าเพิ่งให้เ ม, เมื่อกี้นี่เองอ่อเหรอแล้วไปป่านไปไม่ถึงห้าทีถามอีกนะคราวนี้หลานต้องการแก้งยา่านะอตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยครับยา่านะเงินไม่พอใช้เลยโอ้ย่านี่รีบรีบเลยนะรีบเปิดกระเป๋านะพอเปิดกระเป๋าตกใจเฮ้ยเงินหายไปไหน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 จำบรรเกิดดารานะใครเป็นคู่จิน้นใครนี่จําได้เยอะเป็นร้อยคู่แต่ว่าไอ้ความลืมตัวจะเกิดขึ้นบ่อยมากรู้ตัวจะสักพักไปแล้วนะอันนั้นคือความลืมตัวอันนั้นคือความหลงลืมซึ่งมันก็อาจจะไม่เกิดผลเสียมากนะถากว่าเราเพียงแค่ฟังเฉยๆแล้วก็ลืมตัวแต่ว่าถ้าเราอ่าเกิดขับรถขึ้นมาหรือว่าเกิด เดินลงบันไดเข้าห้องน้ำใจลอยลืมตัวเดินก้าวเท้าผิดตกบันไดหรือว่าเหยียบพลาดลื่นหนะกล้มในห้องน้ำอันเนี้ยเดือดร้อนแล้วแลถึงแม้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบาแบบกคือความทุกข์นะทุกข์เพราะความคิด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 มันเป็นเหมือนเสียงที่กระซิบหรือว่านิ้วที่นิ้วที่ทักเราสะ ก, กิดเราส ก, กิดเรานี่คือส ก, กิดใจนะให้กลับมาบางคนใจรออยู่นะสักพักมันรู้สึกว่ามือกาลังเคลื่อนไหวรู้สึกว่าเท้าเดินเนี่ยได้สติเลยนะอันนี้เรียกว่าความรู้สึกเนี่ยทางกายเนี่ยนะ มันสะ ก, กิจใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหรือจะเรียกว่ามือและเท้าหรือกายเนี่ยนะมันส่งความรู้สึกมาส ก, กิดให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันประโยชน์ของมันมีตรงนี้นะในแง่หนึงน่งในการยก ม, มือสร้างจังหวะเนี่ยมันเป็นการบ้านให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจมารับรู้ว่ามือเคลื่อนไหวเท้ากํลาลังเดินหรือว่ากายกําลังขยับที่จริงให้ให้รู้เฉพาะ ไม่ไม่ใชใ่รู้เฉพาะจุดนะให้รู้ทั้งตัวว่ากายกำลังเคลื่อนไหวนะให้การบ้านเหมือนกับว่าให้กายนี่แหละมาเป็นบ้านของใจนะมันดึงใจให้กลับมาอยู่บ้านนะก็คือกายกายเป็นบ้านของใจแต่ใจมันก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านนี้เท่าไหร่นะมันก็ชอบระเหยเลืล่อนเหมือนเด็กใจแตก แต่ขณะที่มันลอยๆไปเนี่ยมั น, มนก็จะมีเสียงมาเรียกหรือว่ามีไรมาสะกิดให้กลับมาที่บ้านนี้การเคลื่อนมือการเดินนะมันคือสัญญาณนะมันเป็นการส่งความรู้สึกมาสะกิดให้ใจเนี่ยนะได้สติ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 เราได้สติเลยนะหลายคนคงเป็นบ่อยนะใจลอยกําลังรอเพื่อนใจลอยนะคิดไปเป็นคู่เป็นแควแต่แล้วมีเพื่อนมาแตะไหลจิตมันกลับมาเลยไอ้ตอนที่จิตมันกลับมาเนี่ยจิตมันจะทิ้งความคิดต่างๆที่คิดเป็นวักเป็นเวนนะแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่นั่นเนี่ยมันเป็นเราได้สติเพราะมีตัวช่วยก็ ค, คือเพื่อนมาแต้มมือแตะไหล แต่ว่าปฏิบัติแบบนี้เราไม่ต้องอาศัยใครเป็นตัวช่วยเราอาศัยกายของเราเนี่ยเป็นตัวช่วยเพื่อดึงจิตกลับมานะสติที่เกิดขึ้นจากการที่ไอความรู้สึกของกายเนี่ยมันเป็นมันไปเรียกสะกิด จ, จิตให้กลับมาเนี่ยสติแบบเนี้ยเราเรียกว่าสัมมาสตินะไม่ใช่สติธรรมดาที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยสัมมาสติเนี่ยนะสัมมาสติมันนี่มันจะประกอบไปด้วยนะ อาตาปีสัมปชานโนนะเมื่อกี้เราสอนว่ามีอาตาปีนะสัมปชานโนสติมานิภาษาบาลีนะมก็คืออาตาปีความเพียเพรเผากิเลสสัมปัญญะสติสัมมาสติเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะตัวสติหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกตัวและความเพียร น, นะประกอบกันเข้าไป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 ถ้าขยายความให้เรียกก็คือรู้รู้สี่ประการนะกายเวทนาจิตธรรมแต่สรุปสั้นๆคือรู้กายรู้ใจสติที่ช่วยทําให้เราลึกรู้เรื่องกายเรื่องใจเราลูกว่าเราลึกว่าตอนนี้กําลังยกมือเราลึกว่าตอนนี้กาลังเดินนะตอนนี้กาลังกระพริบตาตอนนี้กํลกานนกลังกืนน้าลายเนี่ยต่อไปมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะสติอย่างนี้เนี่ยนะเรียกว่าสติะระลึกรู้กาย หรือว่าพอใจคิดนึกไปมีอารมณ์ปุงแต่ต่างๆมันระลึกได้มันรู้ว่ากําลังเผลอคิดไปมันรู้ว่ากาลังจมอยู่ในความเศร้าความโศกความโกรธเนี่ยอันนี้คือสติระระลึกใจซึ่งบางทีครูบาอาจารย์ก็สรุปย่อยๆวันเนี้ยให้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเนี่ยไอ้ที่รู้กายเคลื่อนไหวรู้ด้วยสติเห็นใจคิดนึกเนี่ยก็เห็นด้วยสติแต่เป็นสติที่เรียกว่าสัมมาสติหรือสติปัฐานนะ อันนี้ก็ให้เราแยกย้ให้ถูกนะแต่บางทีเราก็พูดให้พูดรวมๆเว่าสติสติแต่ข้อจ้าสติที่เรากำลังฝึกเนี่ยเป็นสัมมาสตินะไม่ใช่สติธรรมดาที่เราใช้ในชีวิต ป, ประจำวันหรือที่ต้องใช้ในระหว่างการเรียนหนังสือหรือการทำงานเอาก็คำนี้ก็เพื่อนท่านี้นะกราบพระ